ร่านล้นครับร้านลนหาอารมณ์ต่างๆมันตอบสนองอัตราตัวตนเรารับใช้มาตลอดเลยไม่ใช่ครับว่าเราเองไงต้องพูดคนเดียวเหมอที่อยากได้บ้านได้รถได้มีครอบครัวที่มั่นคงแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเราสนองมันตลอดเลยใช่ไหมครับความมันโดยส่วนใหญ่ก็ตั้หาออกหน้า กระรานลนเสือกระเสือกระส่นไปไม่จบไม่สิ้นมันท่องมันไม่เต็มมันไม่อิ่มแล้วแล้วแลอย่างนี้อาจารย์ครับถ้าถ้ายกตัวอย่างไอ้อย่างผมเนี่ยผมต้องต้องต้องการที่จะศึกษาธรรมะองเนี้ยในหนึ่งก็คิดว่ามันมันเราก็เป็นตถาคตที่เราอยากจะได้ธรรมะเรวก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราอยากจะพูดเนี่ยอาจารย์คือประเด็นความอยากมันเลยต้องแยกเป็นสองมันแยกเป็นตัวฉันทะ โดยฉันทาก็ถ้าอยากดีอยากทําให้มันดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัณหาแล้วใช่ไหมเพราะอยากอยากเพื่อจะอยากอยากได้ปัญญาอยากแสวงปัญญาอยากทําที่สิ่งที่ดีอยากทําสิ่งที่มันเกื้อกูลต่อกระแสชีวิตจิตใจเพื่อนําพาชีวิตจิตใจเขาสู่ความพ้นจากกิเลสและกองทุกพ้นจากตัวตัณหาเองมันจะเป็นตัณหาได้ไงถ้าอยากจะจัดการกับตัณหา ไม่อยากเป็นธานตุขตัณหารเราจึงต้องสแสวงปัญญาเมื่อได้ปัญญาเบเสร็จปุ๊บจะใช้ปัญญาในสกัดปัญญาตัดตัณหาให้ตัณหาหมดราบคาไปความอยากแบบเนี้ยเขาเรียกฉันทะกุศลและฉันทะถ้าอยากเสพที่ใช่ไหมอยากได้สีเสียงกินรถโพสะพานเนี่ยมาตอบสนองมาบำรุงบ่มเลือถ้าแสหาสิ่งเหล่าเนี้ยมันถึงเป็นตัณหา ไอ้ตั้หามันอยากแสงหามันอยากอยากได้แต่มไม่ก็อยากทํำน ะ, อะไอ้ตั้หาเนี่ยถ้าจะทําก็ทําด้วยความด้วยเงื่อนไขเหมือนยอมขับรถเนี่ยมันอยากได้เงินเดือนใช่ไหมมันไม่อยากขับหรอกอแต่ไม่ทําก็ไม่ได้เขาไม่ให้ก็เลยทําด้วยความทุกข์ใจทําด้วยความเครียดทําด้วยความกุ้มไอ้อย่างเงี้ยคือตั้หามันมีเงื่อนไขอย่างนี้แต่ถ้าเกิดนั่งสมาธิหรือภาวนาไปเรื่อยๆนี้คือหาทางคือกัน บางทีมันนั่งเลยฮ่ารู้สึกว่าตอนเนี้สถานการณ์บีบคั้นเว้ยเมียก็จะจับผิดอะไรก็ จ, จับผิดคุณนั่งสมาธิดีกว่า <S <S อันนี้ผม ไ, ไม่เปิด้เปิดช่องเลยครับผมพยายามยกตัวอย่างเนี่ยไออย่างนี้ก็เป็นตัญหาอยู่ดีนั่นนะใช่ไหมแล้วมันมีเงื่อนไขนี่ <S <S บางทีเฮ้ยฮ่าต้องสวดมนต์ดีกว่าเว้ยเมียก็คอยจ้องเนี่ยสวดมนต์ตลอดเลยสวดใหญ่เพิ่มเพิเพเเเไอเมียก็โอ้ยหานี่กลับเนื้อกับตัวแล้วเว้ย อาจารย์เรื่องรื่งปัญญาเนี่ยาก็จะมีจะมีคำที่ผมเคยเหินว่านิเพธที่ขับปัญญาปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสนี่ยมันมันชืออะไรนะที่ที่เขาไปอะนะแตไม่รู้เขานป็นชื่อของวิปัสสนาก็เขาเรียกช้ำแรกช้ำแกออช้ำแรกจริงๆตัวปัญญาตรงนั้นก็ขับเน้นตัววิปัสสนาปัญญา ปัญญาที่ไปเจาะทะลุทะลวงเห็นความจริงอย่างเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยความเป็นไตรลักษณ์ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนี่ยพอไปเห็นความจริงดังนั้นเขาเียแปลว่าเป็นปัญญาที่มันชํำระ ก, กิเลสคือมันละ ก, กิเลสแต่พอ ก, กิเลสเนี่ยมันมันไปยึดสิ่งที่มันไม่จริงพอปัญญาไปเห็นความจริงเดียเศ็จปุ๊บไอ้กิเลสมันก็เลยไม่มีที่ตั้งใช่ไหมมันไม่มีที่ยึดแล้วมันไปทําลายหมดแล้ว ไอตัวปัญญาที่เขาไปทําลายอย่างยกตัวอยา่างเช่นออกิเลสไปเห็นว่างามเงี้ยปัญญาไปชําแรกความจริงขึงข้นมามันไม่มีความงามอยู่เลยเงี้ยตัณหาก็ไม่มีที่ยืนแล้วกิเลสไปเห็นว่าเที่ยงเงี้ยปัญญาเขาไปเห็นความจริงว่าแท้จริงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดดับสิบต่อแล้วตัณหาจะมีที่ตั้งได้ไงปัญญาไ อ, อ้ตัณหาไปเห็นด้วยความเป็นของสุขเนี่ยแต่ปัญญาไปเห็นความจริงแท้จริงมันเบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลาเป็นทุกข์นี่เนี่ยตัณหาก็ไม่มีที่ตั้งแล้ว ตั้หาไปเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยแต่ปัญญาไปพิจารณาเห็นมันมีแก่นมีแกนอยู่จริงเลยทั้งหมดเหล่านี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยหมดเลยตั้นหาก็หมดนี่ก็เรื่องชั่มแรกไอ้นี่ไอ้นี่เพศิกาปัญญาทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็ตัวนี้แหละตัวที่ปัญญาที่ไปเห็นแล้วมันเบื่อหน่ายเห็นแล้วมันทายกําหนัดเห็นแล้วมันละวางเห็นมันปล่อยเห็นแล้วไม่ยึดถือมองอย่างนี้ยัง อี่สิบสองพี่กินไปมีวิจุร่าไปไหนคนระับจับวันจับวันแล้วมีแล้วมีมาจะมาได้อีกเมื่อไหนครับ